สุธิกะมัคคภาวนาสติปัฐานสี่สัมัาปทานสี่และอิทธิบาทสี่ภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าสติปัฐานสี่แล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าสมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อิทธิบาทสี่ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญ ข้าพเจ้าทำอิทธิบาตสีให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาราชิกอินรี่ห้าและพระหภิกษูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าอินรียห้าแล้วด้วยการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าพระห้าแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้พระห้าข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำพระห้าให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาราชิก พิกษูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าพชดชงเจ็ดแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้พชดชงเจ็ข้าพเจ้าเป็นผู้ชํานาญข้าพเจ้าทำพอดชงเจ็ดให้แจ้งแล้วต้องอาบัตรปาราชิกอริยมรรคมีองค์8ปดพิสูก่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์แปดแล้ว